<laughs> จากคนอื่นทั้งๆ ท, ที่กำลังใจนมันสามารถสร้างขึ้นได้ตวัวเลยถ้าเข้าใจแต่ด้วยใจที่มันไม่เคยฝุกเคยหัดมันจะวิ่งออกไปหาสิ่งข้างนอกเพื่อมาเติมเต็มข้างในวิ่งออกไปจากอยากได้จากคนอื่นหวังว่าคนอื่นจะมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาด แต่เติมยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่เต็มเพราะเพราะความพองมันหนีเต็มหัวใจจนความมันจะจะวกกลับเข้ามาเห็นจุดเริ่มต้นจริงๆว่าจริงๆแล้วมันต้องการอะไรกันแน่แต่คนเราก็ต้องการอย่างนี้พอวิ่งตามมันทําตามมันไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นหน้าตาไม่เคยเห็นอาการของมันเลย เหมือนคนป่วยกันเนยอะรักษาใจให้ดีๆกายเป็นเรื่องธรรมชาติทูตเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นรังของโลกมันป่วยได้เราก็รักษาไปตามเหตุแต่ประเด็นคือใจเนี่ยอยาให้ป่วยตามรักษาใจดูแลใจตัวเองให้ดีแต่คนส่วนใหญ่ จะชอบไปรักษาฝากฝากใจไว้กับคนอื่นนะห <c oughs> วังว่าจะให้เขาดูแลใจให้เรามันตลกตรงที่เหมือนเวลาเราเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาต่อให้เรากังวลต่อให้เราหงุดหงิดต่อให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นแล้วอ่ะแต่เราเลือกได้นะพีห่หน่อยเราเลือกที่จะไม่ไม่เข้าไปข้องในอาการนั้นก็ได้ แต่สติปัญญาเราเพราะมันไม่เคยฝึกเคยฝืนมันจะไม่มีทางเห็นคือจะหงุดหงิดมึงก็เป็นไม่หงุดหงิดมึงก็เป็นแล้วอ่ะเพราะสภาพทางกายมันเป็นแหละมันเป็นโรคเนี่ยจะทํายังไงที่ต่างกันคนนี้ฝึกก็คือใจไม่เป็นโรคมันจะมันจะเหมือนกายมันก็มันก็ป่วยมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ถ้ามันเริ่มมีกําลังมันมันสามารถตับของมันเองได้ด้วยลมนี่แหละ เขาแม่งม่ชื่อไรถึงมันี่ไม่ได้บอกเพียงเสียงเสียงยังไม่มาเท่าไหร่เพราะปกติด้ก่อนหนูหนูไม่ค่อยพูดพอมาใช้งานมันน่นะเสียงหมดพูดพูดทั้งพูดทั้งวันพูดทั้งวันทั้งโทรศัพท์ทั้งคนทั้งแล้วพูดก็เหมือนเหมือนตะโกน แล้มันจะแสบตอน แ, แรกๆก็เหมือนคันๆคอแต่ก็ไม่ได้เจ็บคอนะหมดไปเฉยๆนี่เทยนกเนยังอนว่าบางคมันก็ว่าน ก, กินน้เย็นหลายกินแต่น้เย็นไม่กินน้ำอุ่นเอากะมกักน้ำเย็นหรอกไ่กินน้ำเย็นเพราะจีว่ายังะ เห่ือนนี้นี่ขาจาวช็ดมาถามว่าปฏิบัติปฏิบัติภาคเพียนอย่างไ น, นในการปฏิบัติแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้จะได้ผลคืบหน้าเลยต้องทํำยังไงก็<笑><笑>เลยถามว่าไอ้ปฏิบัติเพียนย่างไๆทําเพียนเพื่ออะไรเพื่อเพียนเพื่อจะบรรลุมรคผลให้ได้ ก็อีตัวอย่างันรูุนี่แหละมันขวางทีงนี้เพราะทุกอย่างมันดำเนินไปได้วยปัญหาต่อให้เพียรมากขนาดไห น, นถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะมันเพียรผิดทางตัวจริงๆคือตัวสติตัวปัญญาตัางหารยิ่งทำยิ่งกังวลยิ่งสงสัยยิ่งกูทาถูกไม่กูเนี่ยจะมีแต่ความกังวลขึ้นมาในใจจะไม่เห็นความตั้งมั่นของใจเลย ต่อให้เพียนจนนั่งจนปวดแตกเดินดึงขาขาดก็ไม่มีประโยชน์พ่อไม่มีสติบอ ม, มีคำถามบุีเยอถามเรถามมาเนี่ยไม่มีคะแต่ว่าเคยเคยมีคนหนึ่งเขาถามเขาถา ม, มาอะไรที่สอกเนี่ยค่ะว่าดยวนะ คถามว่าแม่ทีครับวันนี้ผมวันนี้ผมนั่งภานานั่งไปทักๆพั่ดี ๆ, ๆ, ดๆดเกิดรูปมินิตหน้าของแม่ทีเจินเข้ามาบอกว่าให้รู้เข้าไปเลยรู้อย่างเดียวบอกว่าให้รู้รอันนี้คืออะไรครับแม่ทีเจินก็เป็นมินิทรู้ข้างนอกรู้ที่เคลื่อนออกไปทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อถือไม่ได้ให้รู้แล้วผ่านรู้แล้วกลับมาฐาน มันใช่ไหมรู้ก็รู้เฉยๆแต่อยากเข้าไปคล้องกับ อ, อาการที่มันขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันรู้อะไรขึ้นมาเราจะเป็นรู้ที่ติดที่คล้องในอาการมันก็เลยมีความสงสัยมีความลังเลตามมามตอ น, นตอนแรกมันไม่จริงตอนแรกการปฏิบัติเราอยากรู้เนี่ยคือกิเลสนะอยากรู้แต่เมื่อใดที่เราเข้าไปรู้ทีเนี้ย รู้ในกระบวนการเห็นกระบวนการรู้ผลเราไปอยู่ในผลเราเป็นผู้รู้ mm. เดี๋ยวพอตามทันไหมเราเข้าไปเป็นผู้รู้ทีเนี้ยตอนแรกยังไม่รู้เนี่ยมันก็อยากรู้ตัวนี้คือกิเลสแต่พอเข้าไปรู้แล้วยึดในอาการรู้ตัวนี้คือกิเลสเหมือนเดิมนะเ <c oughs> พราะเราต้องรู้เฉย เราเข้าไปคืนหลงเข้าไปเพื่อไม่ให้หลงอะ่ะคือมันต้องเรียนรู้เรียนจากสภาพการหลงเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถอยถอยถอยของมันเป็นผู้รู้เองไม่ใช่เราจะกระทำการรู้อันนั้นเป็นรู้ที่ติดที่ห้องที่ยึดแล้วมีเรื่องราวแล้ววางอารมณ์ไม่ได้จริงต่อให้รู้มากก็เป็นรู้เป็นรู้ข้างนอกยิ่งพวกที่เห็นนิ่มิดติดมิ่มิดอะไรเนี่ย ข้างในจะละเอียดเราเพราะมันรู้จริงๆแต่มันยังเป็นรู้ที่เคลื่อนหรอกเป็นรู้ยังยังเขาเรียก่อะไรเคลื่อนไปยังมะยังมันยังมันยังไมเป็นหลักอ่ะมันมันมันยังเอียงอ่ะคือมันเปรู้ข้างนอกมันไม่ได้รู้ข้างในตัวเองใช่ใช่พอมันรู้ปุ๊บแล้วหายใจแรงขึ้นมันจะตัดเข้ามารู้มันจะตัดเข้ามาหลัก เข้ามาเข้ามาฐานของจิตประเด็นเดียวคือของของการทําก็คือให้เรากลับมาฐานสร้างฐานที่มั่นอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นต่อให้ละเอียดละว่าพายไหนก็ช่างมันยังเป็นข้างนอกมันยังเป็นข้างนอกมันจะเห็นเทวดา ส, สีแสงเห็น ม, ม, มูเจ้ามาตัดทิ้งเลยกลับข้อลงกลับข้อฐาน mm hmm. เดี๋ยวพวกนั้นจะค่อยๆถอดถอนถอดถอน เมื่อใดที่สติกำลังสติปัญญานาะแน่นพวกมันจะลดไปโดยปริยายแต่ว่ารู้ข้างนอกตรงนั้นเป็นรู้ที่เหมือนขัดจันร์เลยนะคะถ้าเกิดพนดถึงนื้อคุเจ้าเราจำไม่ได้ว่าในบริบท <c oughs> คือมั น, ม, นมันมีอยู่ติดตัวนี้แต่เราจำภาษาตันี้ไม่ได้มันมันเสมือนมากแล้วมัน ถ้าคนอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นความอัศจรรย์ของจิตแต่มันยังหาสาระกานสารไม่ได้แต่มันก็ต้องเข้าไปเล่นจนตัวสติปัญญาตัวนี้มันจะหาทางออกของมันเองหรือไม่ก็ติดหลงไปหลายภพหลายชาติเลยนะแหละจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงคะเพราะว่านี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเออ่ได้ไปลิ้มลองหรือจินสักนิดหนึ่งอ่ะคือมันมีมีโอกาสที่ติดมีความติดใจสูงมากปัญหาคือเราอย่าลืมหลักกัน จำเลยจำไว้เลยว่าฟ้าถล่มดินทลายอย่าทิ้งลมเมื่อใดที่เรากลับมารู้สึกลมความรู้สึกตัวนั้นมันจะถอดถอนออกเพราะด้วยกำลังสติปัญญาที่มีหลักมีฐานนั่นเองแต่เมื่อใดที่เราออกไปรู้กับอาการเราลืมฐานนะมันจะไม่มีความรู้สึกตัวเลยกลายเป็นกูเก่งกูวิเศษวิโสปลายละทีเนี้ยออกเกิดเนี้ยออกอกสายสินไปแหละ ลืมละว่าตอนแรกมาเพื่อจะปฏิบัติเพื่ออะไรมี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรทำหนูไว <c oughs> <c oughs> ้มาตั้งใก่คุยกันหน่อยเวลาดูลมนะคะก็ะ <c oughs> รู้ว่าดูลมแต่เหมืนจะมีความที่อีกตัวจะไปถืาลมอย่างนี้แสดงว่าความรู้สึกสัมผัสลมยังไม่หนาแน่นพอ <c oughs> มันเหมือนกับว่าแรกๆให้แม่ทำลมก่อน เมื่อใดที่ความรู้สึกเราสัมผัสกับลมลมกับสติเป็นอันเดียวกันความคิดจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดปุ๊บมันก็จะดับปับ๊บคือคือเวลาดูลมถ้าเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะ่ะความเข้าใจคะ่ะทั้งที่ลมเราก็เห็นอยู่ในตอนนั้นเราจะเห็นลมบางๆคือลมคือปตกติเนี่ยร่างกายมันหายใจอยู่แหละแต่เราเอาความรู้สึกมาดูลมหายใจเลยมันจะไม่รู้สึก พอเราไม่คุ้นชินกับมันมันเลยต้องอาศัยการทํำลมแรงก่อนเาความรู้สึกทำอย่างนี้จริงพราะแค่ทําอย่างเนี้ยไม่มีทางที่มันจะคิดได้หรือถ้ายังเห็นมันคิดอยู่ใช่มันต้องเหนื่อยค่ะมันต้องเหนื่อยประเด็นคือมันต้องเหนื่อยแรงก็มาแบบสั้นๆค่ะใช่แต่พอพอเราจะกลับมาสั้นไม่เลยว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่ติดกันมากพอเนี่ย มันจะมันจะแวบไปคิดได้ใช่ค่ะมันจะแว็บไปคิดได้เพราะมันจะมีช่องที่สติเราไม่เขาเรียกอะไรไม่ต่อเ น, นื่องมันจะแว็บไปที่เดียวมันก็แว็บไปแล้วก็ดึงกลับมาใหม่เราทําอย่างนี้เรื่อยๆแต่อย่าไปสนใจกับความคิดให้เราโฟกัสที่ลมอย่างเดียว<ม>เพื่อให้สติตัว น, นี้ต่อเ น, นื่อง<ม>เดี๋ยวมันจะแยกออกจากกันเองทีเนี้ยพอเราเห็นลมชัดเจนเข้าออกเข้าออกชัดเจนขึ้นความคิดที่ผุดขึ้น มันเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันผุดเองงค่ะพอมันเหมือนแบบทําไปสักพักเหมือนเราเรารู้ลมแล้วความคิดไม่มาแต่สักไม่มานานนิดเดียวพอถ้าภายในลักษณะอย่างนั้นจะมีอย่างนี้ใช่ในลักษณะอย่างนั้นปุ๊บพอความคิดเกิดปุ๊บตัวนี้จะดึงกลับมันแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับความคิดนะคะเราจะทําลมอย่างเดียวค่ะพอพอมันเป็นในลักษณะอย่างเนี้ยให้มันคิดเลยคิด คิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งแต่อยาอ่าไปช่วยมันคิดถึ ง, ถ, งถึงคิดเรารู้คิดแต่เราต้อคิดก็รู้เราก็กลับมาฐานเาพราะตัวตัวนี้เป็นแค่ตัวตัวคิดจะ ต, ตัวนี้จะเป็นเป็นสัญญาแต่เมื่อใดที่เราเข้าไปปลุกคือเราอยากอยากไม่มีความคิดใช่เราเรายังไม่เห็นตัวที่เราอยากอีกไม่มีความคิดคือเลาอยาให้มันคิดเราอยากทำอะไรนี้ตัวนี้เลยเป็นปัญหาแทกขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่เมื่อใดที่เราเห็นมันอยากเราก็ดึงกลับ ค่ำว่าดึงกับของหนูคือหายใจให้แรงขึ้นเพื่อเอาความรู้สึกตัวขึ้นมาตัวนี้ดับไปเลยไปไปโดยปริยายแต่มันก็ดับแค่ว่าหายใจแรงก็ใช่มันก็มามันก็เป็นอย่างนี้การปฏิบัติเป็นอย่างนี้จนจนเราเข้าใจมันเรื่อยๆค่ะเราอย่าไปยุ่งอะไรกับมันจาไว้เลยว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับความคิดค่ะให้ยุ่งอย่างเดียวคือลมเราจะมีวิธีทํำลมยังไงให้ ให้ตัวสติตัวนี้ต่อเนื่องยาวมั่งสั้นมั่งกั้นลมมั่งทำทุกวิถีทางรู้ลมทุกแง่ทุกมุมแต่บางทีทําทำไปนั้นคอมันจะแห้ใช่ค่ะแล้วมันมันจะจุกไปโดยที่วันนั้นมันโอุ้ยมันสารพัดรู้เนี่ยเวลาแค่หายใจเข้าบางทีเป็นก้อนเป็นลูกจุกไปเลยหายใจลุงไม่ได้มันมันทุก็เลยทุก็เลยดีเพราะพระเจ้าให้ให้เราเรียนรู้ทุกมันก็เลย ความขี้เกียจมันมาความคิดว่าเ อ, าอ๊ะเราจะไปทำทำไมอ่ะก็ะะะเลยว่าในเมื่อเขาเอาเอ า, เ, อ า, าเราลองเปลี่ยนสัญญาใหม่น ะ, ะการเข้ามาปฏิบัตินี่คือการเรียนรู้ทุกไม่ได้เรียนรู้อย่างอื่นเลยเราจะพ้นออกจากทุกแต่เราไม่ยอมเรียนรู้ทุกมันจะเป็นได้เป็นไปได้ไหมค ะ, ะ <c oughs> เราต้องเรียนรู้ทุกทุกแก้ทุกมุง <c oughs> เดี๋ยวจิตจะวางทุกข์เนี้ย แต่เราต้องผ่านกระบวนการของสภาวะการทุกข์เจ็อนี่ไม่ไม่เคยผ่านเลยค่ะมันจะเป็นทุกครั้งเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านเชื่อนหนูสิที่เราไม่ผ่านเพราะเราเข้าไปยุ่งในกระบวนการของมันเพราะเราไปไม่อยากเป็นเราก็หยุดทำ แต่ลองฟื้นทำต่ออีกไม่กี่ทีมันจะหายให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยก็มีบางครั้งที่ว่าไม่เจ็บคอแต่น้ําลายนี่เหมือนกับนะรุ่นละลังจะพูดอยู่เนี่ยพุ่งๆเหมือนเราต้องคืนคือพอคืนพอคิดมันแลนต้องคืนอย่างนี้ต่อต่อให้เนี่ยทาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันน้ําลายจะเยอะมากมันเหมือนมันมันออกมาเหมือนเจอของเปรี้ยวหนูเนี่ยหนูเนี่ยจนหนูได้นั่งยืนหน้าอย่างจริงๆนะแล้วไม่ได้แบบดูให้มันไหลเลยมันเยอะมากจน เป็นงงว่ามันแค่ดูลมมันมันเป็นอะไรนะเนี่ยแต่ตรงนู้นี่ไหลเต็มปากนั anyway? ่งนั่งท่มน้ำลายอ่ะเต็มขีดขาดท่มเลยตอนเห็มันไหลน้ำลายยืดก็เลยอู้ยูเหมือนเหมือนดูดูเหมือนเหมือนบ้าคือทำแล้วเหมนเอเหมือนหรือว่าเราไม่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเส้นทางยี่ตรงนี้น้ําลายไหลยืดเราต้องเรียนรู้สถาวะตรงนี้จริงจริง แสดงว่าแม่ก็มีกําลังพอสมควรค่ะคิดว่าตัวเองอย่างเพราะว่าพอเจออย่างนี้ก็ความคิดไม่มถ้ า, า ม, มันถ้าถ้ามันไม่มีสมาธิห ร, หรือกําลังตัว น, นี้ขึ้นมามันจะไม่เป็นอาการขึ้นมานะกายเราจะไม่เป็นเพราะว่าปกติมันจะออกไปตามอารมณ์และความคิดมันจะไม่วทเข้ามาเล่นในกายมันจะไม่กลับมามีความรู้สึกตัวพวกนี้ อันนี้พอรู้สึกว่าคอแห้งอ่าความคิดมาแล้วเออหยูดก่อนินเนี่ยแทนที่เราจะรู้เรียนรู้กับสภาพที่มันเป็นขึ้นมาเรากได้เลยค่ะเรากลับไปแทรกแซงอาการมันอีกแต่ไม่ใช่ว่าคอแห้งไม่ให้กินน้ํานะให้กินแต่ให้รู้การรู้ก่อนนะคะว่าเออจิบน้ําแล้วมันจะหายเหมือนเหมือนแม่ใจยเป็นเดี๋ยวดูแล้วมันจะอยากไอมันจะคันคอมันฉีกหยาบหยาบรุนเทารบาด มันจะอยากไอมากแต่อันนี้ก็อยากแก้ปัญหาล้มลายออการปฏิบัติเราไม่ได้แก้อะไร อ, อย่าไปยุ่งหรือไปแก้กับอาการเพราะยิ่งทําให้เพิ่มเพราะนั่นันเรื่องด้วยปัญหาแต่เมื่อใดที่เราเห็นเห็นมันอ่ะเมื่อใดที่เราเห็นมันเดี๋ยวมันจะวางของมันเองตัวสติปัญญาตรงนี้จะหาวิธีแก้ของมันเองแต่การที่เราเข้าไปยุ่งอันนั้นคือทําให้เพิ่มอันนั้นคือทํา ทำกระบวนการให้ยาวขึ้นคือเราแจ้แจ้งมันด้วยปัญหาด้วยอัตราของเราเองนี่แหละแต่การปฏิบัติจริงๆคือการเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเชื่อไหมว่านี่แหละคือของประเสริฐฉันก็ไม่อยาก <laughs> หน้าหนูถึงพูดอยู่ บ, บ่อยๆไงพุทธเจ้าพูดเรื่องทุกข์แต่พอเรามาปฏิบัติเราเจอทุกข์เรากลับไม่อยากทุกข์เราไม่รู้หรอกว่าทุกข์นี่แหละคือของประเสริฐที่จะทําให้เราพ้นออกจากทุกข์ ก็เลยไม่ค่อยไี้ก็เลยมาลองๆพอมีอะไรเกิดขึ้นธรรมชาติของเรามันจะแก้ไขเพราะ<ม>อนุสัยเราความเคยชินของเรามันเคยเข้าไปแทรกแซงเข้าไปแทรกแซง<ม>เราไม่เคยเห็นตัวนี้ทํางานเลยม่เคยเห็นพอมันเกิดก็หยุดเลยเออแต่ลองทําใหม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาฐานหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงดูมันไปมันอาจจะไม่หายในทันทีแต่อาการมันจะค่อยๆเบาเบาเบาลง แต่ถ้าตัวสติตัวนี้เริ่มมีกำลังสติสมาธิสีสมาธิปัญญาเริ่มมีกำลังเนี่ยแค่มองเนี่ยเราสามารถหยุดอาการได้เลยอือันนี้พอเดินนี้ก็ไม่ไปต่อเลยค่ะความคิดเนี่ยต่อให้นั่งคิดมันก็ไม่ไปถ้ามันไม่บล็อกละ่ะใช้ความคิดยังไงก็ไม่ไปแต่ปัญหาคือเราอยากหยุดเราไม่อยากคิดแต่เราเอาความไม่อยากคิดเนี่ยเราไม่เห็นตัวนี้ เราก็เลยคิดซ้อนขึ้นมาอีกทีความคิดไม่สามารถหมดไปได้ด้วยกระบวนการคิดเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ด้วยคิดเอานะแต่เมื่อใดที่ฐานที่กรรมฐานของเรามีกำลังที่สติของเรามีกำลังเดี๋ยวมันหยุดเองมันเท่าทันกันเองอันนี้เวลาทำก็มีแต่ความน่าเมื่อไหร่ฉันติไม่มีความคิดนะดูลมแล้วเห็นลมแล้วทาไมความคิดมันยัง มันจะอยู่ตรงนี้อะค่ะใช่ันจะวนอยู่แถวนี้เพราะแม่เชื่อไหมว่าถ้าถ้าสมาธิมีกำลังมันจะเป็นในลักษณะการเจริญชนันมันจะบล็อกกายไปด้วยสมองเรานี่จะตื้อตื้อตานี่จะปุบปื๊ดแต่ความรู้สึกตัวเต็มตัวเลยเป็นพลังงานนี่วูบว่บวาวว่าอยู่ในตัวแค่แม่เจตนาจะคิดปุ๊บ มันไม่ไปเพราะมันมันจะมันจะเป็นทางร่างกายเห็นไหมมันเริ่มควบคุมน้าลายไม่ได้ไม่ได้เออมันเป็นของมันเองเดียวมันเกิดจากกําลังสมาธิพวกนี้แหละแต่แค่มันยังไม่คุมทั้งหมดค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆเรียนรู้พอวันนึงถ้ามันเป็นขึ้นมาโนั่งร้องหาเลยความคิดอย่นี่รถอยู่ค่ะแต่ว่าดูลมนะฮะดูลมแล้วก็แรงรถแต่มือขึ้นอมอยู่ดีน้ำลายมันก็จะไหลฟุกๆออกมาอย่างนี้ยค่ะก็เลย เพราะน้นนะสุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าสมาธิจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับนั่งไม่ได้เกี่ยวกับหลับตาหรือลืมตาเพราะทุกขณะที่มีสติสมาธิและปัญญาก็อยู่ในนั้น<ม>แต่มันยังยังไม่สมดุลกันมันอาจจะอันใดแรงกว่ากันแต่เราทำแบบเดิมนี่แหละเดี๋ยวมันจะสมดุลกันของมันเอง<ม>ทำแบบไม่อยากทำไปเรื่อยๆเหมือนเขาามหนูเมื่อกี้แหละ ว่าเขาเล่นความเพียรขนาดนั้นนะทำไมเขาไม่มีผลการค้นหน้า mm hmm. เพราะการปฏิบัติมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะไปคือมันมันตัวปัญญาจริงๆคือคือตัวดูคือตัวเห็นความอยากข้างในเหมือนแม่อยากไม่คิดเนี่ยให้ hey, hey, ให้รู้ทันตัวนี้ยแล้วกลับมาฐานเดี๋ยวมันจะค่อยๆเจริญขึ้นแต่เราส่วนใหญ่มีแต่อยากออกไปข้างนอก มีแต่อะไรเกิดขึ้นมาจะไปแก้ไขอะไรเกิดขึ้นมาจะแทรกแต่เอาทีตั้งเป้าแล้วว่าฉันจะนั่งแล้วอ่ะค ย, ยิ่งแก้ยิ่งไขมันยิ่งทาให้ยืดอยเงี้ยยิ่งทําให้ยาวขึ้นยิ่งคล่องก็เลยมันไม่จบสักทีอ่ะมันยิ่งแต่หล่อมันมามนมเจอมาหาเศร้าเดิมไม่ไปไหนเลย <c oughs> อ่าพอเจอเจุดจุดนีด้ไปไหนเหลยกลับมาฐาน กลับมาถาอย่างเดียวเดียวทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นดูด <c oughs> ดดขึ้นอดีตปัญหาว่าบางทีเราทํางานแล้วกอนเทนมาปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะนั่งแล้วตอนนี้มันมันดูลมแต่มันบางมันเบามากเบาจนแบบเฮเหมือนลมไม่มีเราก็พยายามดูแไแล้วก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติใส่ชิ้นไปก่อน แล้วค่อยกลับมาดูใหม่มเหมือนให้มันสงบ น, นิดนึงก่อนแล้วมามาดูใหม่เดี๋ยวไม่ได้จะไปทำถูกหรือเปล่าลคือ ป, ประเด็นคือเราสามารถรู้ชัดได้ทุก ต, ตลอดในลนักษณะที่ที่ที่ ท, ที่ที่เราหายใจไหมเหมือนกับว่าพอหายใจปุ๊บลมบางเราก็รู้อพอมันบางบางบางพอเวลามันจะสงบมันจะสั้นสั้นสั้นสั้นจนไม่หายใจ ค, คือคือเวลาถ้าเราถ้าเราดูอย่างนั้นได้ดูเข้าไปเลย แต่ประเด็นคือเรารู้ชัดไหมถ้ามันเป็นในลักษณะเคลิ้มๆหรือแบบรู้มั่งไม่รู้บ้างอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยนอวัยบทหรือไม่ก็ลุกขึ้นมานั่งเพราะในลักษณะการนอนบางทีมันอาจจะหลับเลยหรืมมันเป็นในลักษณะเคลิ้มๆมันจะไม่ชัดเจนแต่ข่งนมาค่ะแต่ว่าแต่รู้สึกว่ามันมันเหมือนเหมือนอะไรหนักๆแล้วครั้เนี้ยลมลมันบางมากบางจนแทบจะไม่เห็นลม ก็เลยต้องปล่อยมันเหมือนเป็สมาธิธรรมดาไปให้มันให้มันเหมือนคล้ายตัวมันเบาๆก่อนแลใครเริ่มดูดูใหม่อะค่ะถูกค่ะถูกเพราะมันยังมีตัวรู้อยู่อมันบางก็รู้มันหยาบก็รู้มันสั้นก็รู้จนมันไม่มีลมเราก็รู้ยังไม่เคยเห็นให้ยีลมมันจะบางๆถ้าเราดูไปอีกหน่อยมันจะอึดอัดอึดอัดเพราะลมมันจะขาดแต่สักพักหนึ่งพอเราดูไปลมมันขาดอย่าไปกลัวนะ มันไม่ตายหรอกมันจะอึดอัดนิดเดียวแต่ถ้าเราสามารถดูเข้าไปเลยได้ก็ยังหลุดที่ลมใช่ไหมคะแค่ถ้ามันเกิดอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ความคือความรู้สึกพอมันอยู่กับลมมันจะลมกั้นแม่แล้วทีนี้มันจะหาลมไม่เจอไม่รักษามันจะไม่ตกใจหรอคะนั่นแหละใหม่ๆคือมันจะตกใจแต่ชื่อหนูบอกไว้ว่ามันไม่เป็นไรให้ปล่อยไปคือคําว่าคําว่ามันมันก็เป็นภาษาพูดคือนูอยาให้แม่มีสัญญาในตรงนี้ เพราะถ้าไปเจอเหตุการณ์จริงมันจะกลัวเพราะมันจะหาลมไม่เจอแต่คล้ายๆกับพอมันไปนั่งเจอการนี้มันจะมีความคิดเป็นี้ขมามันอาจจะแบบประคองเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเห็นว่าเออไม่หายใจก็อยู่ได้อมันจะมีลมในท้องเหลือนิดเดียวแต่เราไม่ต้องตามก็ไปดูลมใช่ไหมคะณตอนนั้นเราไม่เราไม่สามารถไปคอนโทรลอะไรมันได้แหละมันจะเป็นของมันเอง ก็มีมีครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าลมมันไม่เข้าเหมอนมันไม่หายใจแต่ว่ามันหายใจทางผิวหนังมันลมมันออกผิวหนังแล้วก็มันก็เข้าทางผิวหนังโดยที่บ้าเราไม่ได้หายใจได้เป็น<า>ได้ออ ก, ออกทางไหนก็ได้ลมเนี่ยถ้ามันละเอียดเราจับความรู้สึกบนกระหมอ่อมจับไปตรงไหนอะ่ะมันออกได้หมดเราจะเปลี่ยนทฤษฎีเลยว่าการหายใจมีแค่ทางจมูกแต่ถ้าเรา ทำลมเรื่อยๆเนี่ยเราบังคับออกทางไหนได้หมดเลยถ้าเราบันบางมากเราสามารถดูตัวเพาะท้องของไปก่อนได้ไหมคะถ้ามันบางจนเราบอกว่าเราจับไม่ได้ถ้าถ้าเราจับลมไม่ได้เราจะจับกายไม่ได้เลยอ๋อถ้า <kami S 1> เราจับถ้าถ้าเราจับลมได้ถ้าเราจับลมไม่ได้แล้วเราจับกายได้อันนั้นคือเราหลุดสติแหละอ Radi ๋อเราหลุดสติพอเมื่อใดที่ลมเราเริ่มหายกายเราจะหายไปด้วย Mm hmm. เพราตัวนี้เป็นกายหยาบลมเนี่ยเป็นกายละเอยียดถ้ามันวางกายวางวางลมอะความรู้สึกร่างกายจะเหมือนเหมือนท่อนไม้แหละแข็งแข็งแต่ความรู้สึกเต็มควันหาควันหาตัวเองไม่เจออาจจะเป็เพราะว่าเราเหมือนเคยเคยลมหนัก พอเบาพุ๊เราไม่ยอมดูที่ทันเบาเราไปไปดูตัวท้องเพื่อให้มันเห็นว่ามันยังหนักยังอยู่มันหนักอยู่อะไรเงี้ยค่ะเอาความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นอ่าอย่างอย่างยังไม่กลัวใช่ไหมก็คือถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันจะหายนะถ้าลมมันเบาขึ้นเราก็ดูเข้าไปเลยแต่ประเด็นคือรู้ให้ชัดลมสั้นก็รู้ลมค่อยๆหายไปจนมันเหลือแค่ไก่กระท้นตรงนี้นี่หนึ่งก็รู้ พอเวลาสติมันมีกำลังเนี่ยลมหายใจเข้านิดเดียวเลยมันจะเต็มตัวเลยแต่พอลมมันจะหายมันจะอึดอัดมันจะมีความอึดอัดอยู่แล้วเราก็จะกลัวแล้วก็จะดีบออกจากอาการก็คือแล้วก็ทำอีกทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมจนมันสามารถประคองเข้าไปได้มันจะได้รู้ความสงบที่แท<ต>้จร<ถ>ิงเข้าสติแบบนั้นมันจะตกใจง่าย ๆ, า ๆ, าๆาเสียงอะไร ม, มาเหมือนะเปน หนูกำลายจะพูดให้ฟังว่าตัวเสียงนี่แหละคือค่าส่ด ข, ของสมาธิเพราะจิตที่มันเริ่มเข้าไปลิ้มรสความสงบแล้วการที่มีเสียงมากระทบแค่มดเดินมัน ย, ย่างได้ยินเห็นไหม <mm เสียงหัวใจเต้นอะไรไม่ต้องใช้เครื่องหรือตัวสติรับรู้ไว้มาก <mm จิ่งไหมหล่นใส่หลังคาเนี่ยปุ <mm ๊บเดี๋ยวเนี่ยหัวใจนสะดุ้งดีเลยเหมือนทั้งตัวกั แต่เราแก้ด้วยการทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําจนดูจนมันเห็นไปเลยจนจนความกลัวตัวนี้เริ่มหมดไปพอความกลัวตัวนี้เริ่มหมดไปแล้วแม่จะไม่กลัวอะไรเล ย, ย ท, ทําซ้ำๆ ท, ท, ท, ทําทําเยอะๆจนเห็นหลับตาไปเนี่ยมีเสียงหล่นกระทบใบไม้กระทบหยดน้ํากระทบใบไม้เนี่ยมันก็ได้ยินแสงวาว เป็นแสงนะเสียงในเวลาเราอยู่ในสมาธิที่สงบมากๆเนี่ยเสียงที่เข้ามากระทบกับอะไรเนี่ยจะเป็นในลักษณะแต่จะเป็นจิตจะมนแสงแล้วนะตอนนั้นนะเดี๋ยวมันมันจะไม่ค่อยกลัวอะไรละเพราะมันในลักษณะที่มันมันเริ่มเป็นแสงขึ้นคล้ายๆกับมันก็เริ่มมีสติที่ตั้งมั่นขึ้นเหมือนกันเพราะว่าความกลัวเป็นความตกใจนี้จะค่อยๆลดลง แต่ใหม่ๆเนี่ยแค่เสียงหรือใครเรียกเนี่ยเราจะตกใจมากแล้วก็เหนื่อยมากถอนออกมาเนี่ยทําบ่อยๆทําให้มากเดี๋ยวมันจะผ่านไปเราอย่าไปสงสัยเพิ่มว่าทําไมเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้เรียนรู้มันเดี๋ยวมันจะผ่านเอง มันจะไม่หายสงสัยด้วยการที่เราไปสงสัยเพิ่มน ะ, อะ ต, อตอนแรกเข้าแต่ว่าคนที่มีสติ น, นะคะเสียงอะไรจะเกิดหรืออะไรคือเราอยู่กับลมแล้วเราไม่รับรู้ภายนอกแต่อันนี้ไม่อะคะ่ะไม่ใชเสี่ยงอะไรมาคือไปทั้งตัวเลย <c oughs> หัวใจรู้ได้ละเอียด <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> คือตัวสติสมชัญญาจริงๆไม่ใช่ตัวเข้าเป็นหลบขึ้างใน <c oughs> ตัวนั้นตัวนั้นเข้าไปลึกเลยโดยขาสติไม่ต่างกับการนอนหลับนะ เหมือนเรานอนหลับเนี่ยความเป็นเราไปอยู่ไหนอะเนี่ ย, ยอาการที่หลุดเข้าไปในพวังก็เหมือนกันบางคนนั่งได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปอยู่ในตัวเนี้ยยังไม่ยังไม่ถึงเข้าพาวางังหรอกค่ะคุณแต่ว่ามันจะตกใจแบบตกใจเกินมนุษย์ที่เขาตกใจหนูเข้าใจเ <ใน S 1> พราะเพราะหนูก็เป็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับเราไม่มีสติไม่ไมมมันเป็นอาการของมันมันแม่เห็นไหมว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้ เราจะไปแทรกแซงอะไรมันได้นม่เยอะหรอกแต่เราคิดว่ามันเนี่ยเป็นเร า, าแ ต, แต่แต่พราถ้าเาูาดูไปจริงๆเราไม่สามารถบังคับควบคุมอะไรได้เลยนะเพราะว่าแช่นั้นเขาแค่ทำขันตกนะคะก็เองจะรุ่งแบบเหมือนปกติมันเหมือนดัตช์ลิทอ่ะคนที่นั่นขงข้าก็ยังว่าตอนนี้ตอนนี้มันมันกังวลกับอาการของ อ, อีกหน่อยมันจะกังวลว่าแบบพอดูไปเหตุจัดมันไม่คิดพอมันไม่คิดบอก มันถามเลยว่ากูโงว่หรือกูฉลาด <c oughs> มันจะคิดอะไรไม่ได้เลยนะมันจะบล็อกแบบนั่งแต่มันรู้นะทีเนี้ยรู้อยู่ภายในรู้ในขณะปัจจุบันข้างนอกเนี่ยหลงหลง ล, งลืมลืมแต่ขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ลืมลมเนี่ยจะหายใจจับลมไม่สิคะลูกต้นถามใชค่ะพี่บอกว่าเราดูลมไปแล้วเนี่ยพอมัน คำว่าลมหายไปแล้วมันก็เห็นแสงมันก็ตัวเหมือนจริงมันเหมือนเราคล้ายๆกุญจิณพะระวังหรือสมาธิมันจะนิ่งๆไปจะเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่เหมือนมันเตปุ๊บมันกระกลับมาดูลมอีกทีนึ่งใช่แต่ตัวที่หนูพูดว่ามันเห็นแสงมันมันมันเหมือนกับว่าความรู้สึกมันจะเด่นความรู้สึกนี้จะมีแต่คล้ายๆกับเรารู้สึกตัวอยู่รู้สึกถึงความความมีลมอยู่นะแต่บางๆแต่ความรู้สึกนี้เต็มตัวเหมือนกับว่าความมีมันยังไม่เข้าไปดับทั้งหมด แต่มันจะบางๆความรู้สึกนี่จะบางๆแต่แค่มีเสียงอะไรมากระทบจริงไม้หล่นใสบนหลังคาเนี่ยมันจะเป็นแสงเพราะเราะว่าธรรมาชาติของจิตเวลามีอะไรมันจะวิ่งออกไปเลยอืมเนี่ยพอมันวิ่งไปปุ๊บมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นแสง ท, งทั้งที่เรานั่งหลับตายแล้วมันจะเป็นแสงว้าวแบบแบบกระจายเลยอะ่ะในนี้นักษณะเขาว่าดูลงไปเรื่อยแล้วจิตมันเป็นสมาธิอ่ะค่ะ แล้วมันก็มันก็ไม่เห็นอาการลมจังนะจมันก็จะนิ่งวิ่งสบายสบายเย็นเย็เรียนว่าจิตมันหลงไปคิดปุ๊บมันจะกลับมาดูลมเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะเรื่อยเื ย, เ, ยเพราะว่าถ้าถ้ามันสงบในในระดับหนึงมันจะไม่มีความคิดเลยเความคิดนี้ไม่สามารถเข้ามาแทรกในอาการของสมาธิได้คือมันจะรู้ลมสั้นก็รู้ยาวก็รู้จนมันคือลมเนี่ยจะเริ่มเบา เริ่มบาแต่ตัวรู้นี่จะชัดเจนตัวสตินี่จะชัดเจนมากจนจนความคิดยังไม่มีเลยแต่รู้รู้รู้รู้รอยู่ถ้ายังมีความคิดอยู่แสดงว่ามันยังตัวสมาธิยังไม่หนาแน่นพอเพราะ<ม>เวลา ม, มันมันมันจะเข้าเข้าไปจริงๆความคิดจะไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าแต่วเวลาเราทําแล้วเรามีความอยากที่แบบว่าอยากให้เห็นมันชัด พอเราไปเห็นข้ออย่างที่เห็นชัดมันก็จะรู้สึกว่าพอเราไปคิดซ้อนทีเราพอเรารู้สึกว่าพอเราปล่อยปล่อยปุ๊บปมันเป็นธรรมชาตินี่คือเราดูตามความเป็นจริงไปพอพอเราปล่อยปุ๊บมันก็ไหลไปเคลิ้มเนี่ยมันมันเลยหาความพอดีของตัวเองนี่คือหนูเลยหนูเลยถ้าถ้าเป็นในลักษณะลัก่นี้พี่ลองทําลมยาวทําลมยาวสักร้อยครั้งนะก็ได้ลมยาวสักร้อยครั้งลมสั้นสักห้าสิบครั้งแล้วมันจะเหนื่อย พอมันเหนื่อยปุ๊บเราปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยให้มันหายใจเองตอนนี้มันจะมันมันจะปรับพอดีของมันเองโดยที่เราไม่ต้องทํามันจะปรับหาของมันเองจิตเนี่ยแต่พอเราไปนั่งปุ๊บถ้าเราไม่ทำอย่างงี้ก่อนมันจะหาแล้วมันจะคิดตลอดใช่เพราะมันมาบ่อยหน้าบ้างใช่สุดโอ้อะไรเนี่ยเย็นๆหัวมันเลยมันเลยเป็นเพราะว่าถ้าถ้าลมลมจริงๆอ่ะ ถ้าเรามันจะเป็นสมาธิจริงๆกายจะระงับคือกายลมเนี่ยจะระงับมันจะค่อยๆระงับระงับระงับไปแต่บางครั้งมันก็จะมีความคิดเราแก้งทาไมเห็นว่าเนี่ยอันนี้นะเขาเรียกว่ากายระงับเนี่ยตัวเนี้มันเราก็รู้ว่าเพราะเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังตัวสัญญาตัวนี้ก็ทํางานแต่ถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆคือปัดออกเลยไม่สามารถ ตัวนั้นยังเป็นในกระบวนการคิดยังเป็นวิตกวิจารยังไม่เข้าไปถึงอย่างวิตกวิจารถ้าโอดในในสมาธิก็คือเขาเคลียอยู่ในลมอยู่ mm hmm. เข้าออกเข้าออกให้มันเขาอยู่ในเนี้ยวิตกวิจารเดี๋ยวสุกก็คือมันลมเนี้ยมันจะเริ่มเบาเริ่มแต่ประเด็นคือมันจะไม่มีความคิดอ mm hmm. ความคิดจะค่อยๆหายไปหายไปแต่ให้ถ้าไปนั่งแล้วมีแต่ความคิดเนี่ย มันยังไม่เป็นสมาธิหรอกมันการเป็นนั่งคิดมันถึงต้องอาศัยการทำลมสมาธิจริงๆไม่ใช่ความสงบนะคะคือความตั้งมั่นของจิตที่ไม่ไหลไปตามอารมณ์และความคิดแต่เราส่วนใหญ่ไปไปรมใช่ต่อาศัยแบบว่าต้องสงบนะต้องจิตรวมต้อง่างเนี้ยความเวลาจะนั่งคือจิตฉันต้องรวมใช่เพราะมันไปตั้งไว้ก่อนแล้ว กรรมฐานนี่คือการว่างเจ็บๆนะเมื่ อ, อไหรที่แม่ไม่อยากให้มันรวมหรือไม่อยากให้มันเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นธรรมชาติของมันเองอ๋อเมื่ก่อนนั่งทุดดีก็ <c oughs> ตั้งเป้าตั้งเป้านี่แหละเสร็จแล้วก็พราะเรามีการตั้งเป้านีแ่แหละมันเลยมีตัวปัญหาในแทรกแจงในอาการตลอดเอวลาตั้งเลยคะเพราะว่าให้กินรวมเป็นหนึ่งแล้วมีเป็นยายเราลองทําเหมือนเรากินข้าวเราไม่ได้ตั้งอะไรกับการกินข้าวแต่เราค่อยๆกินไปเดี๋ยวมันอิ่มของมันเองการปฏิบัติเหมือนกันค่อยๆดูไปดูไปดูในสิ่งที่มันเป็นพอถึงเวลาเป็นเดี๋ยวมันเป็นเอง เรามไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการกินว่าฉันต้องร like ีบกินเฉ่นต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันไม่ต้องนั่งสวดอะไรก่อนเพื่อให้ฉันกินข้าวอู่มไม่ได้นะฉันี้ไม่เคยรวมเป็นหนึ่งเออเพราะมันยังไม่รวมได้สักทีมันก็จะมีอันปัญหาเพราะปัญหาคือเพราะมันอยากรวมนี่มันเลยไม่รวมแต่เมื่อใดที่เราวางความอยากรวมเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นของมันเอง มีคำถามไหมจันมีค่ะคำถามจะคุณสุขรัฐนะคะนั่งแล้วเริ่มเห็นใจตัวเองเต้นแต่ยังไม่ต่อเนื่องคืออะไรคะตัวสติที่ที่มันเริ่มเริ่มกลับมารู้สึกกายได้มากขึ้นบางทีมันจะรู้เป็นบางขณะหนะูเนี่ย รู้สึกหูยูหัวใจเต้นเป็นสองสามปีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ดูลงไม่ดูไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะจับจุดจังหัวใจเต้นปุกปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊ ก, ก, ก, กทำอะไรก็ช่างมันจะอยู่แต่ตรงนี้เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวสตินี่แหละที่มันบกเข้ามารู้ภายในเพราะตามตามปกติที่เราเราไม่ได้ฝึกไดห้หัดมันจะออกไปรู้ข้างนอก มันจะไปรู้หมดเหมือนเสียงไงเห็นไหมมันจะวิ่งได้ยินปุ๊บมันจะวิ่งออกไปรับทันทีใครพูดอะไรมันจะวิ่งออกไปรับทันทีมันจะวิ่งออกไปเสพอารมณ์แต่เมื่อใดที่มันมีเริ่มมีสติเริ่มมีฐานที่ตั้งมันจะวกกับเข้ามารู้สึกภายในทีเนี้ยแล้วเข้ามาวกรู้สึกภายในในกายคำถามจากคุณแก้วลําปะทิวนะคะถามว่าถามคับเวลาเผลอดูลมขณะขับรถแล้ววูบเฉยเลยควรทําอย่างไรครับ หายใจให้แรงขึ้นหายใจให้แรงขึ้นหรือไม่ก็ไม่รู้นะหนูไม่เคยเป็นเพราะหนูนี่กับกับรู้สึกมีสติมากขึ้นเวลาขับรถทั้งทั้งที่นั่งดูลมได้แต่ไม่เห็นที่มันจะวูบเข้าไปเลจนได้พูดกับเพื่อนว่าโอ้โหกายเนี่ยมันมันโคตรซับซ้อนมันโคตรมีโปรกแกรมเลยนะมันไม่มีทานที่จะไปเข้าสมาธิเพราะมันป้องกันของมัน อย่าไปคิดว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่สัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพอดูลมเราจะเป็นอย่างนั้นนี้แต่พอถ้าดูเราเข้าไปในอาการจริงๆโอ้โปรแกรมมันชั้นยอดมากมันไม่ให้เราตายง่ายๆหรอกคําถามจากคุณปนิกนะคะให้แม่จ้นทานน้าเอ้าให้แม่จ้นทานน้าพึ่งผสมกับน้ามะนาวเกลือนิดหน่อยอร่อยแล้วหายด้วยค่ะชุ่มคอดีแม่กล้วยทําให้อยู่ค่ะ เขอบคุณค่ะนี่บอกเพียวมีคำถามนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอบอกว่าจับบทสวดในใจได้ไหมครับ จะปวดเสื่อในจจะไปจับทำไมแค่ให้รู้การปฏิบัติเนี่ยแค่ให้รู้นะไม่ใช่ทำไม <c oughs> ทำไมล้สิคิดละ่ะแค่ให้รู้ในสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงแล้วกลับมาฐานอย่าไปแยกเลยอย่าไปอะไรทำไมกับมัน แค่อยู่กับฐานไปเรื่อยๆเรื่อยๆมั น, มนการปฏิบัติมันจะเหมือนลักษณะเรากองน้ําน้ำจะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นพอมันใสขึ้นด้วยตัวสติปัญญามันจะเห็นสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน mm hmm. เมื่อมันเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนปุ๊บเราไม่ต้องบอกมันวางนะเหมือนเรามีคนบอกเราว่าเราไม่เคยเห็นก้อนฐานไฟอะ่ะร้อนเหมือนเขาชี้บอกทุกคนบอกแล้วว่ามันร้อนนะ แต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยมีสัญญากับสิ่งสิ่งนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันร้อนแต่เมื่อใดที่เราได้จับเองได้มือพองเองต้องบอกให้วางไว้เพียวมอมันวางของมันเองณนะตอนนี้แค่เรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรจ็บอยู่โลกกดลงเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์เรายังไม่รู้ชัดเมื่อใดที่เรารู้ชัดมันวางของมันเอง เราจะทำกิริยาการปล่อยวางนั้นไม่ได้หรอกเพราะการปล่อยวางนั้นคือผลแต่ทุกวันนี้เราเอาผลมาทำมันก็เลยกลายเป็นอัตตามันเลยดับทุกข์ไม่ได้จิ้มคำถามจากคุณสันเสริญ น, นะคะผมนั่งรู้สึกเป็นเหมือนน้าไหลออกจากหูครับเป็นเพราะอะไรครับอันนี้หนูบ่เคยเป็น้ <laughs> าไหลออกจากหูหนูเพิ่เคยต น, นี่จะเสียงในหูแต่หนูด้เสียงในหูหูดับนี่เป็น แต่น้ําไหลเนี่ยยังก็อาจจะเป็นได้ก็อาจจะเป็นได้เพราะสภาวะแต่ละคนอาจจะต่างกันมีคําถามนะคะคุณแม่ครัเวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจหนูมักหยุดเสมอทั้งที่ภาวนาพุโทโธจะเป็นอะไรไหมคะถ้าปล่อยเลยค่ะป ล, ล่อยเลยนี่แล้จริงแตามันว่าหายใจเบิ้งเข้าไปเลยทัาประคองสติเข้าไปได้ดูไปเลยแต่มันจะกลัว มันจะกลัวมากเวลาจิตที่มันวางลมเนี่ยมันรึเขาคือเข า, ขาหูหน่ากลัวแต่ดูเข้าไปเลยก็สีได้หูชัดเลยเจ้าของมันเป็นแนวใดคําำถามจาคุณคนบ้านนอกคอกนานะคะการดูลมแท้ความรู้สึกดูใช่หรือไม่คะทุกต้อนบดเอาตาไปบึงสิดเ <c oughs> หลายคนเลยได้วาเบึงง้งรมอยุงเสือ เป็นเมืองวมทั้งสญญามจีวัติคือตาในตาในตัวนี้คือความรู้สึกตัวธรรมาชาติของเราร่างกายเราหายใจอยู่แล้วแต่เราแค่มไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยรับรู้เลยว่าลมหายใจมันหายใจยังไทงทั้งๆที่เราเกิดมาจนปานนี้เราเคยรู้ไหมว่าเวลาโกรธเราหายใจยังไงเวลามีความสุขลมหายใจเป็นยังไงเวลามีความทุกข์ลมหายใจเป็นยังไง อิดอัดลมหายใจเป็นยังไงเราไม่เคยรู้นะ ท, ทั้งที่ลมหายใจในี่คือชีวิตเมื่อใดที่ลมดับคือตายแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรากลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งไหนก็ไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไรอะถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่มีลมละแล้วเราพลาดโอกาสมากเลยนะ ที่เราไม่ยอมเรียนรู้แล้วไม่ยอมศึกษามันในตอนที่ยังพอมีโอกาสคําถามจากคุณกวีธุรีดินนะคะทําไมไม่มีใครกล่าวถึงสภาวะธรรมและต้องการเจอกับทุกมาก่อนเลยครับแต่ก็เข้าใจครับว่าเราต้องรู้จักทุกขที่แท้จริงทุกจริงจริงจึงจะกลัวและอยากจะออกจากทุกครับไม่ทราบสิที่ออกมาพูดนี้ก็เผื่อเผื่อมีใครเป็นเหมือนกันมนะั้แค่นั้นเอง พรเวลาที่ผ่านมานี่มันทุกหนูนี่ร้องไห้ทุกวันไม่ใช่ขนาดทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไม่ปกติร้อยเปอร์เซนเมื่อวานเนี่ยก็ยังหัวจะระเบิดอยู่นะทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งสลับมันโมเมนต์หายตาตานี่มันไหลมันเวลามันดีดแต่ละทีเราไม่สามารถ บ, ารบังคับคอนโทนอะไรมันได้เลยเวลามันแสดงอะไรขึ้นมา คนที่หนูไม่รู้นะไม่รู้ว่าว่าทําไมไม่พูดแต่ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่หนูไปย้อนดูก็พูดนะแต่ไม่ได้พูดสวภาวะตรงนี้ได้ได้แบบขนาดนี้เพราะอาจจะเป็นท่านอาจจะไม่เป็นก็ไม่รู้หรือหรือเราคนที่เขียนเมื่อแปลงเปน็นนําราอาจจะไม่คือมันหลายทอด คำถามจาคุณสมบัตินะคะฟังแล้วคืนน้ำลายได้ไหมคะถ้าเราไปเท่ง ข, ขมมันไม่ไหลแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติจะรู้เหมือนน้ำลายหยดโดนมือจึงรู้ก็ดูลมต่อทำถูกไหมคะก็เข้าใจไหมทำไมสันเขาไม่หมายถึงว่าให้คืนน้ำลายได้บอจป็สิบอ่อเขาบอกว่า คือประมาณนะตัวถ้าเราไปเพ่งใส่มันอะ่ะมันไม่ไหลแต่ถ้าไปล่อยไปทาตามธรรมชาติแต่จะรู้เมื่อน้ำลายหยดโดนมือจึงรู้ก็ดูลมต่อทำถูกนะคะมวนลายหยดใส่มือแล้วรั้มันก็ไม่ขนาดนั้นอันนั้นคือคือถ้าเรามีสติรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าถ้าถ้ามันเยอะจริงๆอะ่ะเราเราจะดูรู้อยู่นะว่า คือคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะจะโต่งไปทางไแต่การมีรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทําอะไรควรวางอะไรควรละมันจะรู้อยู่ไม่ใช่บอกปล่อยวางแล้วก็ไปนอนแถ่อยู่กลางถนนก็ไม่ใช่นะบอกทุกอย่างคือธรรมชาติก็ไปนอนอยู่ดินให้กึ้งคือไต่ก็ไม่ใช่อีกนะมันก็เลยมีต้องต้องสังเกตใยในใจเรานี่แหละถ้าอยู่กับลมไว้เนี่ย อะไรแสดงขึ้นมาเราจะเห็นมันเป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของมันทั้งหมดประเด็นคือเราอยากไปทําตามมันเพราะมันจะพามันจะพาเราทําไปเรื่อยๆละให้เรารู้ทันมันแล้วกลับมาฐานมันจะพอรู้ได้อยู่แะ่บ่ฟื้น <laughs> คำถามจากคุณหน่องอยู่ดีนะคะการที่หลงเข้าไปในความคิดคือสักยะพิธิใช่ไหมครับเมื่อสุนีย์พบชาติอยู่ในหันละหลงเข้าไปในความคิดก็คือความปรุงแต่งนั่นเองเพราะเมื่อใดที่มีความคิดขึ้นมาแล้วเราคิดต่อ น, นั่นแหละความปรุงตัวนั้นแหละ ค, คือพบชาติปรุงเสร็จปุ๊บนั่นแหละอารมณ์ต่อกันมาเป็นวัฏฏะนิพบนิชาติเกิดขึ้น การปฏิบัติเราจึงสามารถวัดผลด้วยตัวเองว่าเราวันหนึ่งเราอยู่กับลมได้นานไหมเรามีสติตั้งมั่นขึ้นมากไหมหรือเรามีแต่ความอยากอยากเป็นนักปฏิบัติอยากบรรลุอยากแนก่เราวัดผลได้ตลอดมีคำถามนะคะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิจิตโลดแล่นมากพุ้งซ่านไปหมดตามมันไปทุกที่ที่ อยากสงบค่ะทำอย่างไรคะให้รู้ทันมันไม่ใช่ให้ตามมันนะจิตเนี่ยถ้าตามมันไม่ไม่มีทางจบมันถ้าไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวมันอยากไปหันเดี๋ยวมันอยากเอานี่พูดนั่งมันนั่งอยู่ในกุฏนั่งอยู่กลางป่ามันจะขึดนปุ๋ยไปแล้วมือนสะไปใสมือนจะได้กินอย่างคล้ายๆคอยอยู่วัดเราเป็นไม่สีตีวงล้อมเข้ามาให้มันแคบเข้ามันก็จะยุ่งกับเรื่องกิน ยุ่งกับเรื่องกินยุ่งกับเรื่องคนภายในวัดเพราะว่ามันตัดระบบสัญญาเรื่องภายนอกบางคนถ้ายังมีอนุสัยที่ยังอยากไปใช้ชีวิตข้างนอกมันก็จะปุง้งหาวิธีออกไปแต่เมื่อใดที่ตัวสติรู้ไม่เท่าทันเดี๋ยวมันก็ได้ออกไปตามความคิดเองเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นถึงให้รู้ไงรู้แล้วกลับมาฐานอย่าไปทาตามมันในเมื่ออยู่เนี่ยมีครูบาอาจารย์ต้องเชื่อครูบาอาจารย์สิ เคารพเคารพไม่แค่เคารพกันแต่ปากนะเคารพให้มันถึงใจมันถึงจะพ้นออกจากได้กันจากการได้การมีการเป็นการเป็นจริงโอ้ยถิน <c oughs> ปากเหมือนหลวงตาพูดครูบาอาจารย์ไม่มีทางอะไรหวังร้าแต่รู้สิษย์มีแต่อยากให้ได้ดีมีแต่อยากให้พัฒนามีประหยากการ สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ปฏิบัติกันสริงหลวงตาคายกังวลคายความเป็นกังวลให้ทุกอย่างหลวงตาดูสิน้ำไปหลวงตาเดินวันละกี่รอบใหม่เเพื่ออะไรเพื่อเหตุประการเดียวคือให้พวกเราได้ภาวนาแบบไม่กังวลไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่พักเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำไปหน้าที่เดียวของพวกเราคือภาวนา แล้ววกกลับมาถามใจว่าเราทําหน้าที่นี้เต็มที่หรือยังสมกับครูบาอาจารย์หรือยังไหมตอให้สิ่งที่หลวงตาทําอนุเคราะห์เรามากไหมเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติให้หลวงตาะนะเราปฏิบัติให้ตัวเองนี่แต่ประโยชน์ตนทั้งนั้นเลยมันน่าแบบสรรเสริญในตัวเองนะที่เราทําบุญวาสนาบารมีอะไรมามันถึงครูบาอาจารย์ถึงต้องมารับ แ, แบบ รับรองเราช่วยเราขนาดนี้เนาะตอนสั้นแต่ขององนี่เรไม่เงินค <c oughs> ำถามจาคุณจีจิปาโมทนะคะขอโอกาสครับนั่งภาวนาประมาณชั่วโมงครึ่งกายนิ่งไม่มีเวทนาแต่ทำไมแค่ดูลมเข้าออกมันทุกข์จังครับที่มันทุกข์เพราะลมมันกระท้อนกระแท่นสั้นบ้างยาวบ้างห <c oughs> ยาบบ้างละเอียดบ้างตีกันมั่วไปหมดต้องทำยังไงครับ บอกเป็นยังไงก็หูแบบที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่าห้าวศิษไปบังคับให้มันให้มันเป็นแบบห้า อ, อยากให้มันเป็นแต่เมื่อใดที่เราชํานาญลมมันจะสามารถบังคับใจแต่เรียนรู้มันไปเรื่อยๆค่อยๆปรับหาไปเรื่อยๆเทคนิคของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคําถามจากคุณแฝงคาในป่าช้านะคะเวลานั่งแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกใจมันขุ่นมัวคืออะไรครับ ก็คคุณวัวพ่อและจันลูกจา ม, มาเลยจันขออนุญาตอ่างบูชาธรรมนะคะบูชาธรรมจคุณสนองห้าร้ยบาทคุณสัญญาห้าร้อยบาทคุณวรรุษห้ารอยบาทคุณปานีห้าร้อยบาทคุณนัทหนึ่งร้อยบาทคุณโชคพิพัฒน์หนึ่งร้ยบาทคุณนงรัฐสองรอยบาท คุณกัญญาณันน100บาทคุณโจบั้ง100บาทคุณใกล้ลุึ่คุณใกล้ลุหนึ่งร้อยบาทค่ะา <c oughs>